วันนี้จะขอพูดถึงสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่งสอนไม่ให้พวกเราลืมกันสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไม่ให้พวกเราลืมกันคืออะไรก็คือความตายนี่เองแต่พวกเรากลับชอบลืมกันไม่ชอบคิดถึงความตายกัน กับชอบคิดถึงวันเกิดกันพอถึงวันเกิดทีก็ทําบุญกันทีถ้าคิดถึงวันตายแล้วรับรองได้ว่าจะทําทุกวันเลยไม่ทําเพียงวันเดียวที่ท่านสอนให้เราเระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้รีบทําบุญกันแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กัน แต่พวกเรากับชอบคิดถึงแต่วันเกิดพอวันเกิดมาครั้งหนึ่งพวกเราก็ทําบุญกันสักครั้งหนึ่งถ้าการทําบุญเหมือนกับการรับประทานอาหารเราก็รับประทานอาหารปีละหนึ่งครั้งใจของเราจึงสู้พร้อมเป็นเหมือนขอทานเป็นเหมือนคนขาดอาหารแต่ถ้าเรารึกถึงความตายอยู่เรื่อย ไม่ลืมความตายเราก็จะทำบุญอยู่เรื่อยๆความตายการระลึกถึงความตายนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการระลึกถึงความตายของร่างกายของเราเพียงเท่านั้นการระลึกถึงความตายนี้ให้ระลึกถึงความตายของร่างกายของทุกๆคนและของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็มีวันตายเหมือนกันโลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ต้องมีวันจบสิ้นไปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรเมื่อมีการเกิดแล้วต้องมีความตายตามมาด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราเราลิกถึงความตายไม่ด่มความตายในความรู้สึกนึกคิดของเรา เราจะไม่โลภไม่อยากได้อะไรเราจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเราจะไม่หวงเราจะไม่หวงอะไรเราจะไม่ต้องทําบาปเพื่อที่จะรักษาสิ่งนั้นสิ่งนี้รักษาคนนั้นคนนี้ไว้เราจะมีแต่ทําบุญเพียงอย่างเดียวคนที่รู้ว่าตนเองจะต้องตายภายในเวลาอันใกล้นี้ มักจะเข้าวัดกันไม่เชื่อไปดูที่วัดพระพุทธบาทน้ำาพนั่นแหละคนไปวัดกันเพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องตายกันเขาเป็นโรค HIV กันติดโรคเอด์กันไม่มีวันที่จะรักษาหายได้ถ้าเราอยากจะเข้าวัดแล้วเรามีปัญหากับทางบ้าน ทางสามีทางภรรยาก็บอกเขาว่าเป็น HIV ดูแล้วดูว่าเขาอยากจะให้เาอยู่กับเขาต่อไปหรือเปล่าอยากจะบวชง่ายๆเลยเกินถ้าภรรยาไม่อยากให้บวชก็บอกว่าเป็น HIV เราีแล้วภรรยาก็จะอนุญาตให้ไปบวชได้ถ้าเป็นถ้าเป็นสามีก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะไปบวชชี สามีแม่ป่วยเขาบอกว่าเป็น HIV แล้วรับรองได้ว่าเขาจะไม่รักไม่ห่วงเราอีกต่อไปนี่แหละประโยชน์ของการที่เราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจะทําให้เราไม่หลงนั่นเองทุกวันนี้ที่เราโลภเราโกรธกันก็เพราะว่าเราหลงกันหลงก็คือมองไม่เห็นความตายกันลืมความตายกัน คิดว่าเราจะอยู่กันไปเรื่อยๆไม่มีวันตายอายุเจ็ดปก็ยังคิดว่าตัวเองจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่ยอมคิดถึงความตายกันอายุเจ็ดิบปิบก็ยังห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ทั้งๆที่ตัวเองนี้จะใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ใจมันไม่คิดถึงความตายมันก็เป็นเหมือนกับตอนตอนที่มีอายุ น, น้อยตอนที่เป็นหนุม่มเป็นสาวอยู่ดีเวลาที่เราไม่คิดถึงความตายแนละ้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราแก่เราก็จะรู้สึกว่าเรายัางหนุม่มยังสาวยังจะอยู่ไปนานๆอยู่ก็จะทำให้เราอย่างโลภยังอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้อยู่และเวลาที่เราไม่ได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ตามความโลภของเราเราก็จะเกิดความโกรธเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจต่าง อา น, นิสงค์ของการนำเลกถึงความตายไม่ลืมความตายนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าสูงสอนพระอนุ์ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็คือทุกทุกความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าเราจะทำอะไรเราคิดจะทำอะไร เราอยากจะได้อะไรเราอยากจะเป็นอะไรถ้าเราเริ่มถึงความตายแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ไม่รู้ว่าจะไปเป็นทำไมไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมได้มาแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้เป็นแล้วตายไปก็ต้องหมดไปแล้วมาทุกขกับการอยากเป็นอยากได้ทำไมแล้วพอได้แล้วก็ต้องมาทุกขกับการดูแลรักษา กับความหวงความห่วงแล้วในที่สุดก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมของการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการเจริญมรณนานุสสตินี่เอง ให้เรามีสติและเลื่อยอยู่กับความตายอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ที่จะสามารถระลึกถึงความตายอยู่ได้เรื่อยๆนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กล้าหาญมีเป็นจิตใจที่ไม่หวั่นไหวกับความจริงถ้ายังหวั่นไหวกับความจริงอยู่จะไม่กล้าระลึกถึงความตาย พราเวลาลเราลิกถึงความตายแล้วจะเกิดความรู้สึกหดหูใจจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องให้เจริญอย่างอื่นแทนถ้าจิตใจยังอ่อนแออยู่ยังอ่อนไหวอยู่ยังไม่ละลิกถึงความตายได้ก็ให้ละลึกถึงพระพุทธคุณไปก่อน เช่นให้เจริญพุทธานุสติไปก่อนไม่ว่าจะเป็นการส่วนบทพุทธคุณหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนก่อนจนกว่าใจจะมีความสงบพอที่จะรับความจริงได้แล้วก็ให้เราเลิกถึงความตายแทนต่อไปเพราะถ้าเราเลึกถึงความตายได้ เราจะไม่คิดอยากจะทำอะไรต่อไปเราจะอยากจะทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือรักษาใจให้อยู่ในความสงบให้ใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เพราะถ้าปล่อยวางไม่ได้เวลาที่จะต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆไปเวลานั้นจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจและ เวลาที่ยังไม่ได้จากกันก็จะมีแต่ความวิตกกังวลห่วงใหยกับสิ่งต่างๆไปแต่ถ้าเราสามารถเราค็ดถึงความตายได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรคิดจะทำอะไรเราคิดถึงความตายคิดถึงความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆเราก็จะทำอย่างสบายใจ เราจะไม่เครียดกับสิ่งต่างๆเช่นเราอยากได้อะไรถ้าจำเป็นที่จะต้องหามาเราก็หามาแต่ในใจเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่แน่นอนมันอาจจะได้มันอาจจะไม่ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่ละเลิกถึงความตายนีนเวลาเราอยากจะได้อะไรเราจะต้องได้อย่างเดียว ถ้าไม่ได้แล้วเราจะเสียใจเราจะโกรธบางทีถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะความเสียใจที่ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้เนี่ยความระำลึกความตายจึงไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายแต่เป็นการป้องกันการฆ่าตัวตายเพราะว่าเราจะไม่เสียอกเสียใจถึงกับจะต้องฆ่าตัวตาย เช่นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือบุคคลที่เรารักไปถ้าเราไม่ได้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเขาจะต้องตายจากเราไปหรือเราจะต้องตายจากเขาไปเวลาเขาตายจากเราไปบางทีเราก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปเราก็จะฆ่าตัวตายตามเขาไปนีนะ่จึงให้เรา ขอให้เราเห็นคุณอย่าไปเห็นโทษของการระลึกถึงความตายเพราะว่าการระลึกถึงความตายนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจแต่เป็นพิษเป็นภัยกับกิเลสตัณหากับความโลภความโกรธกับความหลงเพราะมันจะทาให้เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ระลึกถึงความตาย เราจะหลงเราจะโลภเราจะโกรธเราจะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะมีแต่วความว่าวุ่นขุนมัวมีอารมณ์ที่ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้ที่เรามาเป็นเจ้าของครอบครองเพราะว่ามันจะไม่เป็นไปตามความอยากความต้องการของเรา ความอยากความต้องการของเราก็คืออยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆนอยากจะให้มันดีกับเราไปนานๆอยากจะไม่ให้มันจากเราไปแต่ของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจากเราไปมันต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องเสื่อมไปไม่ช้าก็เร็วมันก็เลยทำให้เรามีอาการวุ่นวายใจเพราะจะต้องคอยมาดูแลรักษามาคอย คอยซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆเช่นมีทรัพย์สมบัติเช่นรถยนต์เนี่ยใช้ไปมันก็ต้องเสียมันต้องคอยต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรต่างๆพอถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็ทําให้เราหงุดหงิดลาคาญใจเพราเราต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกเสียเวลาบางทีจะใช้รถก็ใช้ไม่ได้รถมันเสีย แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเสียวันนี้ก็ได้พรุ่ง น, นี้ก็ได้พอเวลาเราขึ้นรถเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจถ้าสตาร์ทไม่ติดเราก็รู้ว่า อ, อ๋อถึงเวลาของมันแล้วเราก็จะคิดล่วงหน้าไว้ก่อนสัมรองเหตุการณ์ไว้ก่อนเตรียมเรียกรถแท็กซี่หรือเตรียมใช้รถคันอื่น หรือว่าถ้าไม่สามารถที่จะเรียกรถคันไหนมาได้ก็เตรียมเดินไปถ้าเดินไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านนั่งสมาธิแล้ลึกถึงความตายต่อไปเพราะยังไงยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะไปทำอะไรมากน้อยเพียงไรจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรจะเป็นใหญ่เป็นตัวขนาดไหนก็ตามก็หนีความตายไม่พ้นสักคนหนึ่ง นี่แหละความตายจึงเป็นของที่มีคุณประโยชน์กับการดำรงชีวิตที่สงบสุขนี้เองถ้าเราเห็นความตายอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะมีความสงบสึกเพราะอะไรเพราะเราปล่อยวางได้เราไม่ยึดไม่ติดเราไม่อยากกับอะไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเช่นเรายัางต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ นํำก็ทำของเราไปได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรได้มากก็ตายได้น้อยก็ตายอยู่ดีถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีความสุขวันนี้หาได้เท่าไหร่ก็กินเงินเท่านั้นอย่างพระนี้ทุกวันก็ออกบิณฑบาตจะได้มากได้น้อยก็ไม่ไปวิตกกังวลกับมันเพราะก่อยอดมาแล้วช่วงที่ปฏิบัติก็ ได้มีการซ้อมอยู่แล้วว่าสังวันเองอาจจะเบรินบาตได้ข้าวเปล่าหรือไม่ได้อะไรเลยวันนั้นก็อาจจะต้องดื่มแต่น้ำเปล่าไปในช่วงปฏิบัติก็ฝึกอดอาหารแล้วก็มาระ ง, งับความหิวด้วยการทำใจให้สงบนั่งสมาธิเพราะความหิวส่วนใหญ่นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความหิวส่วนใหญ่ 90% ซอยู่ที่ใจ ใจที่คิดถึงอาหารนี้ก็เกิดความหิวขึ้นมาแล้วบางครั้งเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จไปหยกๆยกพอคิดถึงอาหารขึ้นมาก็หิวอีกแล้วหลวงตามหาบวัวท่านเคยมีปัญหาอย่างนี้อยู่ตอนที่ท่านบวชใหม่ๆท่านบอกว่าล้างบาศเสร็จยังเช็ดยังไม่ทันแห้งมันหิวอีกแล้วท่านบอกถ้าหิวอย่างนี้ต้องไม่ไม่ฉันสามวันท่านก็เลยดัดนิสัยมันไม่ฉันสามวัน หลังจากนั้นแล้วมันไม่กล้าหิวอีกต่อไปเพราะถ้าหิวมันจะไม่ได้ฉันไม่ได้กินนี่แหละคือปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคาจริงร่างกายของเราบางทีนี่สะสมอาหารไว้เกินอยู่ได้เจ็ดวันไม่ตายอย่างแน่นอนมีสเสบียงสะสมอยู่เหลือเฟือและเป็นประโยชน์เสียด้วยซ้ำไปกับผู้ที่มีสเสบียงมากๆอยู่ในร่างกายมีไขมันเยอะมากๆไว้ในร่างกาย จะได้มีโอกาสเผาผลาญมันให้มันหมดไปไม่ต้องไปเหนื่อยกับการ เ, ออเต้นร้างเต้นกาวิง่งมาราทอนให้เหนื่อยยากไ ป, ปเปล่าเปล่าเพียงแต่อยู่เฉยๆไม่กินข้าวสักสามวันเจ็ดวันความน้ําหนักมันก็ลดลงไปเองไขมันมันก็หายไปเองดูพระพุทธเจ้าท่านอดถึงสี่สิบเก้าวันเห็นไหมไม่มีไขมันเหลืออยู่เลยมีแต่หนังคุ้มกระดูกเคยเห็น พระพุทธรูปปรางทารมารกายไหยนั่นแหละทำไมท่านอดได้ก็เพราะว่าใจท่านไม่หิวใจท่านมีความสงบมีสมาธิใจที่มีความสงบนี้จะไม่หิวกับอาหารถึงแม่ร่างกายจะหิวก็ไม่เดือดร้อนเพราะความหิวของร่างกายมีน้ำหนักเพียงส0เปอร์เซนท่านั้นเองแต่ความหิวของใจนี้มีน้ำหนักถึง90 พอความหิวของใจหายไปความหิวก็เหลือแค่ส0อร์ซก็อยู่กับความหิวของร่างกายได้อย่างไม่เดือดร้อนอะไรแต่พวกเรามันตรงกันข้ามกันพวกเรานี่มันความหิว9้อร์ซนอยู่ที่ใจแล้วเราดับมันไม่เป็นกันพอมันเกิดความหิวทางใจก็เลยต้องกินกันกินกันแล้วมันก็เลยทำให้ร่างกายเรามีน้ำหนักเกิน ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกนแทนที่จะอยู่อายุยืนยาวนานกับอายุกับสั้นลงคนที่มีน้ําหนักมากๆในอายุมักจะอยู่ไม่นานอยู่ไม่ไม่ยาวเหมือนกับคนที่น้ําหนักไม่เกินเพราะไม่มีโรคภัยต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคความดันโรคเบาหวานอะไรต่างๆ โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปร่างกายต้องต้องทำงานหนักเกินไปหัวใจต้องบิต้องสูบเลือดมากมากเกินไปกระเพาะต้องย่อยอาหารมากเกินไปถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนบรรทุกเกินน้ำหนักรถที่บรรทุกเกินน้ำหนักนี่มันจะต้องพังกว่าพังเร็วกว่ารถที่บรรทุก ไม่เกิดน้ำหนักนี่ชีวิตของพวกเราเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่พวกเราไม่สามารถควบคุมใจของเราไม่สามารถควบคุมกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้นั่นเองก็เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีควบคุมใจเราถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้พบรู้จักวิธีเช่นวันนี้ก็เราได้รู้จักวิธีควบคุมความโลภความอยากต่างๆของเราด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมความตายแล้วการกระทาอะไรต่างๆของเรานี้จะเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลจะเป็นจะไม่เป็นไปด้วยอารมณ์ความอยากความโลภ แล้วจิตใจของเราก็จะไม่เครียดกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงความจริงของชีวิตเราได้นั่นก็คือการสิ้นสุดของชีวิตเราคือร่างกายของเราไม่ว่าโรคจะเจริญหรือจะเสื่อมไม่ว่าจะมีสงครามหรือไม่มีสงคราม เศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะลงมันไม่มาเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้คือความตายเศรษฐกษิจขึ้นก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีสงครามมันก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงนี้ได้ใจของเราจะไม่วุ่นวายใจของเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เราจะไม่ต้องทำบาปทำกรรมเราจะทำแต่บุญทำแต่ประโยชน์มีแต่เพื่อนไม่มีศัตรูอครอยากจะได้อะไรเอาไปเลยถ้าเอาไปได้ไม่หวงแต่สิ่งไหนที่เรารักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้ารักษาไม่ได้จะต้องตกเป็นของคนอื่นไปก็ให้เขาไป หรือว่าถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้ใครอยาก จ, จะได้อะไรก็เอาไปเลยก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ยิ่งดีใหญ่นี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะไม่ลืมกันควรจะระลึกถึงทุกเวลานาทีเวลาที่เราคิดจะทําอะไรก็ให้คิดถึงความตายไว้เผื่อเข้าไปด้วยเราจะได้ไม่มีความ มุมานะหรือยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปจนทําให้เราถึงกับต้องไปก่อเวรก่อกรรมไปทําบาปทํากรรมกับผู้ถ้าเราไม่ละเลิกถึงความตายนี้เวลาเราอยากได้อะไรบางทีเราจะทุ่มเทยอย่างสุดๆถ้าจะต้องทําบาปก็ทําถ้าจะต้องก่อเวรก่อกรรมสร้างสัตว์ตัวก็จะทํา แต่ถ้าเราล้ำลึกถึงความตายเราเลึกสิ่งที่เราได้มาว่าถึงเวลาเวลาที่เราตายไปสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้เราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปเราเรื่องอะไรที่เราจะมาทําตัวเราให้เป็นเป็นยักษ์เป็นมารทําไมเราไม่อยู่แบบพระกันทําไมไม่ทําตัวให้เป็นเทพเป็นเทวดากันเทวดาก็คือพวกที่ชอบทําบุญนี่ พวกที่ยินดีที่จะแบ่งปันทรัพสมบัติข้าวของเงินทองประโยชน์สุขที่ตนเองมีมากเกินกว่าที่จะใช้ได้ก็แบ่งให้ผู้อื่นไปการมีความเมตตานี้ก็จะทำให้จิตใจของเราสูงเป็นจิตใจที่น่าเคารพรักดังที่มีในการแสดงใน อา น, นิสงค์ของความเมตตาอยู่ว่าผู้ที่มีความเมตตานี้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายะจะมีมนุษย์เทวดาทั้งหลายคอยคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่คืออา น, นิสงค์ของการมีความเมตตาแล้วก็จะไม่ตายด้วยศัตร์วุฒิหรือยาภิษเพราะว่าไม่มีศัตรู ไม่เคยคิดร้ายก่อไข่ไม่เคยไปทำร้ายไข่ไม่เคยไปทำให้ผู้อื่นอาฆาตพยาบาทโกรดเกลียดเมื่อไม่มีใครเขาโกรดเกลียดอาฆาตพยาบาทเขาจะมาฆ่าเราด้วยอาวุธหรืยอยาพิษได้อย่างไรมีแต่จะกลับมาคุ้มครองมาคอยปกป้องรักษาเราการที่เราแผ่เมตตากันไม่ออกก็เพราะว่าเราลืมความตาย พอเราลืมความตายเราก็เลยเกิดความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆก็เกิดความหวงไม่ยอมให้ใครนี่แหละที่ทำให้แผ่เมตตากันไม่ออกการแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่ด้วยการสวดสเปสตาเวลาหหนตุเวลาไหว้พระสวดมนต์แล้วแผ่ไอ้นี่มันไม่ได้แผ่มันเป็นเพียงแต่สวน จะแผ่จริงๆต้องเอาเงินไปแจกชาวบ้านเขาอย่างเี้ถึงจะเรียกว่าแผ่เห็นคนนั้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนเอาเงินเอาทองเอาเข้าวของไปให้เขาหรือว่าเวลาใครก็ทําอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ให้อภัยคนขับรถชนท้ายเราแล้วก็บอกไม่เป็นไรไปเถิะอย่าจอดมาทะเลาะกันสีเวลาแล้วรถติดยาวเหยียดคุณไปเราไปก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตา คือไม่เอาเรื่องเอาราวกันยอมจ่ายยอมเสียค่าซ่อมรถเสียเท่าไหร่ก็เสียมันไปแต่ทําไม่อยากจะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่อยากจะให้ชาวบ้านเ็าเดือดร้อนบางทีรถเราชนกันนี่มานั่งเถียงกันครึ่งชั่วโมงยังไม่จบรถมันก็ติดอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็ติดไปเป็นเป็นลูกโซ่ไปเลยติดกันเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองเสียค่าน้ามันเท่าไหร่รถจอด วิ่งเฉยไม่ได้ไปไหนสร้างควันพิษให้กับโลกอีกแต่ถ้าเราบอกว่าอไม่เป็นไรชนแล้วจะมานเทยงทําไมชนแล้วมันก็ต้องซ่อมอยู่ดีถ้าคุณไม่ยอมซ่อมเราก็ซ่อมก็ได้อันนี้ก็จบถือว่าเป็นการทําบุญไปทําทานไปนี่แหละที่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่เวลาสวดมันก็แผ่เมตตาเวลารถชนกันก็นกนมานั่งเถียงกันครอบ ปากเปียปากฉีไม่ยอมแพ้กันเเริ่มคําว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไปเนี่ยผู้ที่แพ้เมตตาก็คือผู้เป็นผู้ผู้ที่แพ้เป็นพระนี่เองยอมแพ้ไม่เอาเรื่องเอาเราวพระพุทธเจ้าสอนให้เราชนะตนอยากไปชนะผู้อื่นเพราะชนะตนแล้วทุกอย่างจะดีไปหมดคนอื่นก็ดีเราก็ดีใจเราก็เย็นใจเราก็สบายคนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราเอาชนะผู้อื่นผู้ที่เขาแพ้เราเขาก็จะโกรธจะเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราเวลาเราแพ้เขาเราก็จะโกรธจะเกลียดเขาอาฆาตพยาบาทเขาแล้วก็จะต้องมีการจองเวรจองกรรมกันไปไม่รู้จักจบจากสิ้นอันนี้แหละแต่ถ้าเราริถึงความตายว่าสมมุติว่าเรากําลังขับรถจะไปเมนไปเข้าวัดไปเมนเนี่ยแล้เราจะไปมีเรื่องสับใครหรือเปล่าจะไปตายอย่างเงี้ย เราลืมตายกันเข้าใจไหมถ้าคิดถึงความตายว่าเราขับรถเนี่ยเราไม่ไปไหนหรอกเราจะไปเมรุหยุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราก็คือเมนเนีเ่ไม่ได้ที่ไม่ได้ไปที่ไหนกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ว เ, เราก็จะได้ไม่มีเรื่องมีราวกับใครเราจะแผ่เมตตาได้เราจะไม่หวงเราจะไม่หวงอะไรแล้วเราก็จะมีจิตใจที่เอ หนักแน่นจิตใจที่สงบถ้าเรามีจิตใจที่สงบจิตใจของเราก็จะมีความสุขเราจะไม่มีความหวาดกลัวจะไม่มีความทุกข์กับความตายเพราะความตายนี้ไม่ได้อยู่ที่จิตใจความตายนี้อยู่ที่ร่างกายจิตใจของเรานี้ไม่มีวันตายมีแต่ร่างกายเท่านั้นที่จะต้องตายแต่จิตใจของเราหลง คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเรานี้ไม่มีวันตายแต่ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาผ่านทางร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของเราและไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไป ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ไม่ทุกข์กับการจากไปจากจากของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่แหละจะทําให้เราสามารถทําบุญได้ทําทานได้ให้อภัยได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างสงบสุขใครจะโกรธจะเกลียดเรามันก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วเราก็ไม่มีปัญหา ปัญหาอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความโกรธของเราไม่ใช่อยู่ที่ความโกรธของผู้อื่นเพราะความโกรธของผู้อื่นไม่สามารถทำให้ใจเราทุกข์ให้เราใจของเราร้อนได้มีแต่ความโกรธของเราต่างหากที่ทำให้ใจของเราทุกข์ที่ทำให้ใจของเราร้อนแต่ถ้าเราไม่โกรธเพราะเราไม่หลงเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องตายไปไม่ช้าก็เร็วเราเราจะไปโกรธเขาทาไม โกรธแล้วได้อะไรแล้วสิ่งที่เราได้มาเราเอาไปได้หรือเปล่าเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยนี่คือการระลึกถึงความตายถ้าเราลึกถึงความตายแล้วมันจะมันจะทำให้ความคิดของเรานี้เปลี่ยนแนวไปเลยคิดเป็นแบบหน้ามือเป็นหนังมือเลยเคยเอาเป็นเอาตายกับใครก็จะไม่เอาเป็นเอาตายกับใครจะกลับมาเอาเป็นเอาตายกับความโกรธของเราเองแล้วต้องละ ง, งับความโกรธนี้ให้ได้เพราะความโกรธนี้ต่างหา ที่เป็นตัวอันตรายที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราแต่การไปโกรธผู้อื่นการที่ผู้อื่นไปชนะผู้อื่นนี่มันไม่ได้ทําให้ใจของเราหายโกรธการที่เราจะชนะความโกรธของเราได้เราต้องยอมแพ้เราต้องให้อภยัยนี่แหละคืออา น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการที่เรา เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากที่เราไม่ควรลืมไม่เชื่อลองทาดูถ้าเรามีความตายอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราเราลิกถึงความตายควบคู่ไปด้วยเราจะไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เพราะว่าเรารู้ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเช่นวันนี้จะจัดงานมันเกิดพอจัดไปแล้วมันไม่สนุกสนานมันขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขาดคนนั้นคนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงว่าเราจะไม่ตายตถ้าเราจัดวันเกิดงานมันเกิดวันนี้แล้วจะทําให้เราไม่ตายเราก็น่าจะจัดงานกันแต่จัดแล้วมันก็ตายเหมือนเดิม จัดหรือไม่จัดก็ตายเหมือนเดิมคนนั้นคนนี้จะมางานเราหรือไม่มามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่สิ่งที่เป็นสำคัญนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าแต่ถ้าเราไม่รลึก ถ, ถึงความตายเราจะลืมและเราก็จะเอาเรื่องเล็กเล็น้อยมาเป็นปัญหามาสร้างความปวดหัวสร้างความทุกข์ให้กับเราไป นี่ละคือเรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตเราก็คือความตายถ้าเราเลิกถึงความตายได้แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนบทบาทการดำเนินชีวิตของเราแทนที่จะไปหาสิ่งต่างๆที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่ได้ให้ความสุขที่ถาวรที่ไม่ได้มาดับความทุกข์ภายในใจเราก็จะเปลี่ยนไปหาสิ่งที่ จะให้ความสุขกับเราอย่างถาวรเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะได้กำไรจะไม่คว้าน้ำเหลวเกิดมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเป็นสิ่งที่วิเศษอย่างมากเพราะมีมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลมาสร้างความสงบสุขให้แก่จิตใจ มาดับความทุกข์มาดับการเวียนว่ายตายเกิดให้กับจิตใจได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องหลุดด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์และก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางถ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัต เพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะวิธีที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าเป็นการเข้าบ้านก็มีคนคนเดียวที่ถือกุญแจบ้านอยู่ถ้าไม่มีคนนี้พวกเราก็เข้าบ้านกันไม่ได้ต้องรอให้คนนี้มาขายกุญแจเปิดประตูให้พวกเราเข้าบ้านกันไป อันใดพระนิพพานก็เหมือนบ้านที่เราต้องการจะเข้ากันแต่เราเข้ากันไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่ถือกุญแจเอากุญแจมาเปิดประตูให้พวกเราเข้าไปคนที่จะเปิดประตูบ้านพระนิพพานให้กับพวกเราก็คือพระพุทธเจ้านี่เองถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราไม่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีผู้ที่จะเปิดประตูให้เรา เข้าไปสู่พระนิพพานได้แต่ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษอย่างมากเพราะว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพ ร, พ, พระพุทธศาสนาที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ถือกุญแจที่จะเปิดประตูสู่พระนิพพานให้กับพวกเราได้ถ้าพวกเราไม่ไปขอให้ท่าน ปประตูให้กับพวกเราพวกเราก็จะไม่ไม่สามารถเข้าไปสู่บ้านอันประเสริฐบ้านที่มีแต่บรมมัสุขบ้านที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ดังนั้นตอนนี้พวกเราได้มาเจอผู้ถือกุญแจแล้วเราก็ต้องขอให้ท่านสอนเราบอกเราก็เป็นเหมือนกับให้ท่านช่วยเปิดประตู ขายกุญแจบ้านให้กับพวกเรานั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้เข้าไปสู่บ้านอันประเสริฐนี้การที่เราจะศึกษาและปฏิบัติทุ่มเทอย่างอย่างสุดชีวิตได้นี้ก็ต้องระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราเห็นความตายอยู่เรื่อยๆเราจะได้ยุติการแสวงหาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราที่เราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวกับเราไปได้ก็คือเราจะไม่ไปสนใจกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายไม่สนใจกับการหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาบยศสารเสริญต่างๆ อยสนใจกับการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราได้ไปถึงพระนิพพานให้ได้อันนี้เกิดขึ้นจากการเห็นความตายในชีวิตของเราเช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ไปถึงพระนิพพาน พระ อ, องค์ก็ทรงเห็นความตายเห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชจึงทําให้พระ อ, องค์ทรงเปลี่ยนความสนใจเป้าหมายของชีวิตเดิมจากการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีประสาทพระราชวังอยู่ถึงสามสามหลังด้วยกันเป็น เป็นประสาทสามมดูหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ทรงเห็นว่าร่างกายนี้ก็ต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปพอตายไปแล้วความสุขต่างๆที่หาผ่านทางร่างกายมันก็หมดไปพระพุทธเจ้าจึงเปลี่ยน หาความสุขอีกทางหนึ่งหาความสุขทางของนักบวชกันตรงถามมหาเล็กว่านักบวชนี่เขาทำอะไรนักบวชนี่เขาหาทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายเขาต้องการหาความสุขที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายผ่านความแก่ผ่านความเจ็บผ่านความตายท่านอเลย อยากจะบวชอยากจะหาความสุขแบบนั้นพอถึงเวลาที่จะต้องบวชก็ทรงสละราชสมบัติไปอย่างง่ายได้พอเห็นว่าอยู่ไปก็จะไม่มีวันที่จะได้ความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บที่จะต้องตายไปพระ อ, องค์ก็เลยเสด็จออกจากพระราชวัง แล้วก็ส่งไปศึกษ า, าวิธีทําใจให้สงบวิธีที่จะทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแต่ก็สามารถศึกษาได้ในระดับขั้นฌานสมาบัติก็คือสามารถทําใจให้สงบระงับความทุกข์ระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้เป็นพักๆในขณะที่เข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌาน แต่เวลาออกจากสมาธิมาออกจากฌานมาใจก็กลับมีความโลภความโกรธความหลงความอยากอยู่เหมือนเดิมยังรู้ว่ายังไม่สำเร็จแต่ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถสอนให้สามารถระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเข้าไปในฌานได้ พระองค์เลยจึงต้องทรงศึกษาค้นคว้าวิธีด้วยพระองค์เองอยองในที่สุดก็ทรงค้นพบวิปัสสนาภาวนาคือการใช้ปัญญาแก้แก้ความหลงเพราะความหลงเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธถ้าเห็นว่าพอไม่หลงแล้วความโลภความโกรธความอยากต่างๆก็หายไป เช่นถ้าเราอยากได้อะไรถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวนัดเดียวก็หมดไปเวลาหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ก็จะทําให้ไม่อยากได้ได้อะไรมาแล้วต้องเสียไปแล้วเวลาเสียนี่มันเสียใจหรือดีใจทุกข์ใจหรือสุขใจ องพิจารณาอย่างนี้ก็ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นของชั่วคราวเวลาได้ดก็ดีใจแต่ในที่สุดก็ต้องเสียใจก็ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอไม่มีความอยาก ใจก็หายทุกข์แล้วไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีความว่างนี้ไม่มีโทษเพราะว่ามันไม่เกิดไม่ดับแต่สิ่งอื่นๆนี้มันเกิดมันดับดัะนั้นขอให้เราอยู่กับความว่างให้ได้ถ้าเราอยู่กับความว่างได้เราก็อยู่กับพระนิพพานได้เพราะว่าพระนิพพานก็คือปรมังสุญญ์นั้นเองก็คือความว่างคือใจ ไม่มีอะไรใจอยู่กับความว่างได้จะอยู่กับความว่างได้ก็ต้องมีวิปัสสนามีปัญญามีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดจะต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าได้มาแล้วก็จะต้องเสียใจจะต้องมีความทุกข์ใจตามมาต่อไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปมีอะไร เช่นคนไม่มีสามีก็ต้องไม่ทุกข์กับสามีคนไม่มีภรรยาก็ไม่ทุกข์กับภรรยาคนไม่มีตำแหน่งก็ไม่ทุกข์กับตำแหน่งอนนี้ตอนนี้มีตำแหน่งก็มีคนจะคอยไล่คอยขับอยู่ตลอดเวลาทุกอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็เจอแต่ข่าวเขาจะไล่เราเขาจะไล่เรามันจะมีความสุขได้อย่างไรไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะอยู่ถึงวันไหนก็ไม่รู้ แต่ถ้าไม่มีตำแหน่งก็ไม่ต้องมาทุกข์กับตำแหน่งนั้นการบวชนี้ก็เพื่อการสละทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่กับความว่างพระพุทธเจ้าในที่สุดก็ทร ง, ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากความอยากนี่เองเวลาเกิดความอยากแล้วถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะตายไป แต่ความอยากมันอยู่ในใจใจที่มีความอยากอยู่มันก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่แล้วก็มาทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกทําอย่างนี้มาไม่รู้กี่กี่ร้อยล้านรอบแล้วทําเปนี้มาทุกข์มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ก็ไม่มีวันที่จะรู้วิธีที่จะหยุดมันได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าผู้ที่มีปัญญาที่แหลมคมที่สามารถเห็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายได้ว่าเกิดจากความหลงความหลงที่ที่ไม่เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันจะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงอย่างถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เคลือบด้วยเป็นความสุขเคลือบความทุกข์ไว้ ในเวลาความสุขนี้เราจางหายไปก็จะมีความทุกโผขึ้นมาเหมือนกับยาขมเคลือบน้ําตาลเวลาอมใหม่ๆก็หวานดีแต่พอน้ําตาลที่เคลือบนั้นละลายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความขมชีวิตของพวกเราเวลาได้อะไรมาใหม่ๆนี่ก็หวานดีเวลาแต่งงานกันใหม่ๆนี่ก็หวาน พอ อ, อยู่ไปอยู่ไปความหวานมันก็หายไปทีนี้ก็เหลือแต่หวานอมขมเกืนเ <c oughs> พราะเราไม่มีปัญญามองทะลุมองทะลุไอ้น้าตาลที่มันเคลือบความขม อ, อยู่เราไม่มีปัญญาที่จะมองทะลุความสุขที่มันเคลือบความทุกข์อยู่นั่นเองเราจึงมักจะเดินเข้าหาความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเวลาได้อะไรมา ก, ก็ดีออกมีใจกัน ได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ธิดาได้ลูกก็ดี อ, อกดีใจกันแต่พอลูกมันเริ่มโตขึ้นเลิกลูกมันเริ่มดื้อขึ้นลูกมันเริ่มสร้างปัญหาให้กับเราเนียทีนี้มันเริ่มเห็นความทุกข์มาตามมาแล้วถ้าเราคิดถ้ามีปัญญาเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนมองเห็นอะไรจะเกิดก่อนเราก็จะได้ก็ไม่ไม่ไปเดินเข้าไปหาปัญหานั้น แต่นี้เรามองไม่เห็นกันเพราะปัญญาของเราไม่แหลมคมปัญญาของเราแบบปัญญาตื้นๆมองเห็นแต่ผิวมองไม่ทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเช่นร่างกายนี้ก็มองไม่เห็นใต้ผิวหนังมองทีไรก็เห็นว่าสวยว่างามทุกทีแต่ถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเลยถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากมีสามีไม่อยากมีภรรยา ก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับสามีไม่ต้องมาทุกข์กับภรรยาไม่ต้องมาทุกข์กับบุตรธิดากับกับลูกกับหลานแต่นี่มันมองไม่เห็นปัญญาตื้นตื้นมองเห็นแค่ระดับผิวหนังเห็นแล้วก็ติดอยากได้พอได้มาแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเป็นขบวนยาวเหยียดทุกข์ตั้งแต่สามีภรรยาตามมาด้วยบุตรด้วยทิดาแล้วก็หลานเหลนตามมา นี่คือความทุกข์ที่พวกเราเดินเข้าหากันเพราะความหลงเพราะไม่มีปัญญามองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นความตายมองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอด ไม่ช้ากนเร็วเขากับเราก็ต้องจากกันไปมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปรยึดไปติดกับของที่ไม่ใช่เป็นของเราไปยึดไปติดกับของที่ไม่ถาวรอันนี้เป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่จะมองเห็นได้ถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเรานี้โชคดีมาก เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เช่นเรามาเกิดเป็นสัตว์ในภูเขาลูกนี้เป็นลิงเป็นกะลอกกระแตอยู่ใกล้กับพระศาสนาอยู่ใกล้กับพระกับเจ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าเขาทำอะไรเขาสอนอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็ต้องเจอกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดความเชื่อถ้าฟังแล้วไม่ไม่เกิดความเชื่อก็เป็นเหมือนพวกทัพพีในหม้ อ, อกแกงฟังไปแล้วก็ไม่รู้รสชาติไม่รู้รสชาติของแกงถึงแม้แกงจะวิเศษราคาแพงเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับทัพพี ทัพพีเันไม่รู้หรืว่าแกงที่มันตัดนี่มีราคาเป็นพันเป็นหมื่นมันต้องเป็นลิ้นกับแกงเท่านั้นดังนั้นถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราต้องทำตัวเราให้เป็นลิ้นให้ได้อย่าทำตัวให้เราเป็นทัพพีอย่าไปเมินอย่าไปมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาถ้ายังมองไม่เห็นก็พยายามบังคับตัวเองให้ศึกษาไปเรื่อย ว่าบางทีปัญญาของเราอาจจะทึบอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าที่จะเข้าอกเข้าใจแต่ถ้าตราบใดเรามีความพยายามที่จะศึกษาไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องเข้าใจพอ เ, เข้าใจแล้วก็จะเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะได้เกิดฉันทะวิริยะฉันทะก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติตามวิริยะก็คือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะพยายามปฏิบัติตามเพราะการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นการกระทําที่ยากเนื่องจากว่าเป็นการกระทําที่เราไม่ถนัดเราไม่เคยทํามาก่อน เหมือนกับการเปลี่ยนมือที่เราถนัดมาใช้อีกมือหนึ่งเช่นเราเคยถนัดมือขวาแต่เราต้องมาใช้มือซ้ายถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่อยากจะใช้เพราะมันไม่ถนัดเราอยากจะใช้มือขวาแต่ถ้ามือขวาเราพิการไปอย่างนี้เราก็จะต้องหัดใช้มือซ้ายต้าเราหัดไปได้เรื่อยแล้วต่อไปมือซ้ายมือซ้ายนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกับมือขวาไม่มีความแตกต่างกัน เพราะคนที่เ็ถนัดมือซ้ายทำไมเขาใช้มือซ้ายได้อย่างสบายเพราะความถนัดนี่เองเช่นเดียวกับการเปลี่ยนทิศทางของการดำเนินชีวิตของพวกเราจากการแสวงหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางราบยศสรรเสริญเราต้องเปลี่ยนการหาความสุขมาในทางทานศีลภาวนามาหาความสุขด้วยการทำทานแบ่งปันมีอะไร ที่เราพอที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ก็แบ่งปันกันไปเก็บไว้เท่าที่จำเป็นที่เราจะต้องมีส่วนที่เกินนี้ก็อย่าไปหวงเก็บเอาไว้แล้วเราก็จะได้มีความเมตตาก็จะทำให้เรารักษาสี่งได้เราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้เพราะเรามีความเมตตาเราอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขเราทำทานเพราะเราเห็นว่าทำแล้วให้เขื่นก็มีความสุข ไปเวลาเราจะทําอะไรเราก็ต้องระมัดระวังว่าจะต้องไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็จะรักษาศีลได้พอเรารักษาศีล5ได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีล8ได้ถ้าเรารักษาศีลแได้เราก็จะภาวนาได้เพราะถ้ารักษาศีลแไม่ได้เราก็ยังจะถูกความความอยากในความสุขทางร่างกายคอยดึงเวลาของเราไป เช่นเวลาจะนั่งสมาธิถ้าเรายังกินข้าวเย็นอยู่เวลานั่งสมาธิมันก็จะง่วงเหงาหานอนหนังท้องตึงหนังตาย่อนแต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารเย็นได้รับประทานอาหารเพียงครึ่งมาถึงเที่ยงวันหลังจากนั้นเราก็จะหยุดพอตอนบ่ายท้องก็จะเบาแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงเหงาเหานอนก็จะทําให้เราสามารถนั่งสมาธิได้ แต่ถ้าเราไม่รักษาศีนแปดเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะคิดถึงเรื่องอาหารเย็นต่อไปเราก็จะไม่มาคิดถึงเวลาจะมานั่งสมาธิกันพอถึงอาหารเย็นก็รับประทานอาหารเย็นกันรับประทานอาหารเย็นเสร็จก็อยากจะนอนแล้เพราะมันสบายไม่อยากจะนั่งนั่งก็หลับอยู่ดีนั่งได้ไม่ถึงสองสามนาทีก็สัพงกดังนั้นถ้าเราอยากจะภาวนาเพื่อที่จะ ทำใจให้สงบเพื่อที่เราจะได้พบกับความสุขที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายเราก็ต้องถือศินแปเพราะว่าการถือศิน8ดนี่ก็เป็นการละความสุขทางร่างกายนั่นเองเช่นสินข้อที่สามเราก็เปลี่ยนเป็นอพรมจริยาไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่หาความสุขจากการนนกาาากการับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ไม่หาความสุขจากมอหอลสพเครื่องบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผ้าทำผมอะไรต่างๆแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนพอพักผ่อนร่างกายก็พอร่างกายนี้วันๆหนึ่งถ้าได้นอนสักสี่ห้า 4, ชั่วโมงก็พอเพียงแต่เวลาเรานอนบนผูกหนาๆเวลาตื่นขึ้นมา ร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็เลยจะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงเวลาที่จะเอามาใช้กับการภาวนาก็ไม่สามารถที่จะเอามาได้เพราะจะหมดไปกับการหลับนอนหมดไปกับการดูบอลวอประสบบันเทิงต่างๆหมดไปกับการแต่งเนื้อแต่งตัวทําเข่าทําผมแต่งหน้าทาปาก หมดกันหมดไปกับการร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาก็จะไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นสูงได้ก็คือการภาวนาผู้ที่ต้องการจะภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบเพื่อที่จะได้ระงรับดับความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจึงจาเป็นจะต้องรักษาศีลแปดยอมยอมอด เขาเรียกอะไรอดอดเปรี้ยวไว้กินหวานยอมอดเปรี้ยวไว้เพื่อที่เราจะได้มากินหวานหวานนี่ก็คือสมาธิแต่ถ้าเราอดเปรี้ยวไม่ได้อยากจะกินของเปรี้ยวอยู่เช่นมะม่วงยุคนี้ออกมายังไม่ทันสุกก็มากินก่อนกินตอนนี้มันเปรี้ยวก็เลยต้องจิ้มน้ำปลาหวานเป็นความหวานเทียมไม่ใช่หวานแท้ไม่ได้หวานจากรสของมะม่วงเป็นหวานของรสของน้าตาล ถ้าเราอดเปรี้ยวรอไปสักพักลอยสักเดือนพอมะม่วงสุกก็จะได้กินมะม่วงหวานได้ฉะนันใดถ้าเราอดความสุขทางร่างกายได้อดหาความสุขทางร่างกายได้แล้วมานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไปพอจิตสงบเราก็จะได้ความสุขที่หวานโดยธรรมชาติไม่ใช่เป็นความสุขที่หวานด้วยการปรุงแต่ง ความสุขทางร่างกายนี้มันหวานด้วยการปรุงแต่งเพราะเราจะต้องมีคนนั้นคนนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มามามามาผสมถึงจะเกิดความหวานได้เหมือนกับน้าตาลที่เราใช้ใช้จิ้มามะาม่วงเปรี้ยวนี่เองเพราะเรารอไม่ไหวใจเราร้อนอยากจะกินแคตอนนี้ก็เลยต้องเอาน้ำตาลมาจิ้มแต่ถ้าเรารอสักเดือนหนึ่งรอให้มะม่วงมันสุกงอมเต็มที่ ทีนี้ก็กินมะม่วงหวานได้ไม่ต้องไปหาน้ำตาลมาใจเราก็เป็นเหมือนมะม่วงนี้ตอนนี้มันเปรี้ยวเราจรึงต้องไปหาของหวานมาจิ้มกันหารูปเสียงกลิ่นรสผดกระาะมาจิ้มหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกแทนที่เราจะอดทนอดกลั้นอยากไปหาความสุขทางภายนอกแล้วเข้ามาหาความสุขทางภายในกันด้วยการถืสีนแป แล้วก็มานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนเดินจงกรมเจริญสติควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้รู้เฉยเฉยให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือ<ม>ให้ย่รู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ถ้าใจรู้อยู่กับเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็อยู่ปากประูของสมาธิ พอเรานั่งสมาธิหลับตาบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเพียงไม่นานใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติดึงใจให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย <c oughs> ก็เหมือนกับใจของเราอยู่ห่างไกลจากประตูของสมาธิพอเวลานั่งสมาธิบริกรรมเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าเพราะว่ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อย ดัง น, นั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้ผลเราจะต้องจเรียนสติให้ได้ผลก่อนคือต้องควบคุมความคิดให้ให้ได้ให้คิดให้น้อยที่สุดให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ให้มากที่สุดแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบได้เราก็จะได้พบกับความหวานของใจของเราความสงบสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ กว่าความสุขทั้งหลายเหมือนกับความหวานของรถมะม่วงนี้มันหวานกว่าน้ำตาลที่เราไปจิ้มขอให้เราพยายามทำให้ได้เจริญสติให้ได้ถ้าเจริญสติไม่ได้อย่าไปหวังเรื่องการนั่งสมาธิแล้วถ้าไม่มีสมาธิอย่าไปหวังเรื่องการเจริญปัญญาเลยเพราะมันไม่มีวันที่จะสามารถเจริญปัญญาได้เพราะใจมันจะถูกกิเลส ท, ที่มีกาลังมากกว่า คอยดึงให้ไปคิดถึงเรื่องของกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลานั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามรักษาศีนแปดให้ได้แล้วก็พยายามเจริญสติสิ่งที่จะช่วยให้เราเจริญสติได้ง่ายก็คือเราต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นเช่นเป็นนักบวชรือจะเป็นนักบวชชั่วคราวก็ได้นักบวชถาวรก็ได้ รับบวชชั่วคาวก็คือวันหยุดวันทํางานของเราเราก็ไปปีกวเวฟอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจเราให้ใจเราได้มีเวลาอยู่กับพุโทโธมีอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแต่ถ้าเราต้องทํางานต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้การเยริญสตินี้ก็จะยากเพราะจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาหาเราอยู่เรื่อยคนนั้นก็มาชวนคุยคนนั้นก็มาถามปัญหามาปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจของเราก็จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับร่างกายไม่ได้ก็ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอยิ่งคิดมันก็ยิ่งอยู่ห่างกายจากบากทางเข้าของสมาธิมันก็จะเข้ายากดังนั้นถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญสติให้ได้ผลนั่งสมาธิให้ได้ผลเราก็ต้องปลีกวิเวกอยู่ห่างกายจากแสงสีเสียงห่างกายจากสิ่งต่างๆที่จะมาดึงใจของเราให้อยู่ห่างกายจากที่ ทางเข้าของสมาธิทางเข้าของสมาธิก็คืออะไรก็คือปัจจุบันนี้เองใจของเราถ้าอยู่ปัจจุบันได้มันก็จะสงบได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่อยู่ปัจจุบันกันปัจจุบันอยู่ตรงนี้แต่ใจเราไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เช่นบางท่านขณะฟังธรรมอยู่นี่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีไปคิดถึงเรื่องงานที่จะต้องทาอาทิตย์หน้าแล้วก็ได้บางทีคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ได้ ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่อยู่ปากประตูของสมาธิแวลานั่งสมาธิก็จะไม่มีวันที่จะเข้าสมาธิได้แต่ถ้าอยู่กับความว่างอยู่กับความรู้เฉยๆอยู่กับพุโทโธอยู่กับร่างกายอย่างนี้แสดงว่ากำลังอยู่ในปัจจุบันอยู่ปากประตูของสมาธิพอนั่งสมาธิพอดูลมหายใจอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ หรือบริกรรมพุทธโธอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอมีความสงบแล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาก็จะมีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะมาใช้ในการต่อสู้กับตันหาความอยากได้เครื่องมือชิ้นนี้เรียกว่าอุเบกขาใจที่มีสมาธินี้จะมีอุเบกขาคือจะวางเฉยได้จะสู้กับความอยากได้ ถ้าไม่มีอเุเบกขาเวลาเกิดความอยากนี้ต้องวิ่งไปตามตามความอยาก แ, แต่ถ้ามีอเุเบกขานี้เหมือนคนที่อิ่มไม่หิวมากถึงแม้ว่าจะมีใครมาชวนไปกินที่นู่นที่นี่ถ้าบางทีขี้เกียจไปก็ไม่ไปก็ได้เพราะไม่เดือดร้อนแต่คนที่ไม่มีอเุเบกขานี้เหมือนคนที่ไม่มีอาหารท้องว่างพอใครมาชวนให้ไปกินที่ไหนต้องรีบตามไปทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอเราออกจากสมาธิมาแล้ว ถ้าเราอยากจะรักษาความสงบเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากเพราะถ้าเราทำตามความอยากใจของเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาจะไม่สงบแต่ถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาและเราปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเลยเพราะความอยากที่เราทำนี้มันจะได้ความสุขแบบยาขมเคือบน้ำตาลความสุขเครือบ ความทุกข์มันสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวพอมันจางไปมันก็จะเหลือแต่ความทุกข์เช่นอยากจะไปกินอะไรเวลาไปกินก็สุขเวลากลับมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปกินอีกเพราะความสุขนั้นหมดไปก็ต้องไปหากินอีกมันก็ต้องหากินอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะฝืนความอยากได้ถ้าเรามีอุเบกขา ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราจะไม่มีกําลังที่จะมานั่งนึกถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพอพูดถึงขนมก็จะวิ่งเข้าหาขนมทันทีแล้วค่อยว่ากันทีหลังอ่า น, นี้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไว้ทีหลังตอนนี้ขอกินก่อนอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะหยุดความอยากได้เพราะความอยากมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ทําตามความอยากทนนั้ทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยาก ต่อไปความอยากนั้นมันจะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะหมดไปเองเหมือนคนที่อยากสูบบุหรี่แล้วอยากจะดื่มโซรานี่ทุกครั้งที่อยากจะดื่มอยากจะสูบถ้าฝืนไม่ยอมไม่ไม่ดื่มไม่สูบความอยากมันจะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปในที่สุดความอยากมันก็จะหายไปพอความอยากหายไปแล้วเวลาเห็นบุหรี่เห็นโุราก็เฉยๆไม่เดือดร้อน แต่คนที่ยังเลิกไม่ได้ยังมีความอยากนี้พอเห็นเราไมนอดไม่ได้น้ำลายไหลทันทีดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอย่างทาวรเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนเพราะสมาธินี้จะมาเสริมกําลังให้เรามีกําลังที่จะต้านความอยากได้มีเวลาที่จะมานึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พอเราเนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยจิตที่มีอุเบกขาเราก็จะฝืนความอยาก ต่อสู้กับความอยากได้แล้วในที่สุดความอยากทั้งหมดที่มีอยู่ในใจมันก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดแล้วก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ใจให้กับเราอยู่เป็นสุขอย่างที่พากเราอยู่กันไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ต้องไปทำให้ได้คิดถึงขนมก็ต้องไปกินให้ได้คิดถึงเครื่องดื่มก็ต้องไปหามาดื่มให้ได้ เพราะใจมันไม่สงบใจมันไม่นิ่งใจมันไม่มีอุเบกขานั่นเองนี่แหละคือเรื่องของการการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในวาระที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นสูตรเดียวท่านที่ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนานๆที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นานๆที่จะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้พวกเรา ได้อาศัยเป็นที่พึ่งตอนนี้เรามีครบสูตรแล้วอยู่ที่เราที่เราจะต้องผิดส่วนของเราขึ้นมาส่วนของเราก็คือศรัทธาความเชื่อฉันทะวิริยะความพอใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามความอุตสหาหะภาคเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วผลต่างๆที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเรา ก็จะเป็นของเราได้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการนัลึกถึงความตายเป็นจุดเริ่มต้นไม่ลืมความตายพอเราไม่ลืมความตายเราก็จะไม่หลงกับการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เป็นของชั่วคราวเราจะได้หันมาหาสิ่งที่เป็นของแท้ของถาวรก็คือการทำทานรักษาศีลภาวนาเพื่อการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานนี่เอง ดังนั้นก็ขอให้พวกเราอย่าลืมสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมจะลืมอะไรลืมได้หมดเลยลืมสามีก็ลืมได้ลืมภรรยาก็ได้ลืมเงินลืมทองลืมอะไรลืมได้แล้วสบายใจแต่อย่าลืมความตายเพราะลืมความตายแล้วจะทุกข์ใจเพราะจะหลงแล้วก็จะโลภจะอยากจะโกรธจะมีแต่ความทุกข์ใจการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปุราปริโวลรนติสากหลังเอวเมวะอิตทินางเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสภีติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะทวันตราายสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทานศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวะทานติ อายุวโนโสุขังภาลัง ah mm hmm. ท่านที่มาที่หลังอยากจะมารับหนังสือซีดีหรือเอาของเข้ามาถวายก็ขอเชิญเข้ามาได้รูปเก่เาพอหอมปากขอมคอพอ พอเป็นไปได้ก็พออย่าไปพิถีพิถันมันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวตายไปก็คนก็ลืมกันหมดแนละ้ว <c oughs> ต่อไปเราตายไปลูกหลานมันก็ไม่รู้ใครเป็นใครแนละ้วเอาธรรมะไปดีกว่าธรรมะแล้วใจสงบใจสบายมีความสุขเอารูปไปก็ทานั้นนะมันก็อยู่ในเครื่องไงมั้งเปิดดูที่ไหนนะมันก็ไปหารูปหมายถ่ายไปไม่มีอะไรอะ หลวงตาท่านไม่ให้ถ่ายเลยทั้งไปเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นของปลอมมันไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงของมีประโยชน์อะไรเราชอบของปลอมกันของแทแ้เราไม่ก็ชอบก็าหากันท่นหนึ่นงพยายามดึงพวกเราออกจากของปลอมให้เข้าหาของแท้ ก, กันอของแท้คือธรรมะมธรรมะเริ่มต้นที่ธรรมะข้างนอก คือธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็เอาธรรมะนี้เอาเข้ามาสู่ใจของเราเป็นเหมือนยาเรารับยาจากหมอแล้วเราก็ต้องเอายามากินพอกินยาเข้าไปแล้วร่างกายมันก็แข็งแรงหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บธรรมะนี่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์สอนเรานี่เป็นเหมือนยาถ้าเราไม่เอามากิน มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรฟังธรรมะเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาฟังแล้วก็ผ่านไปกลับอยากจะมาได้รูปของท่านมากกว่าจะได้ธรรมะของท่านเอาธรรมะไปเนี่ยที่แจกแจกแต่ของแท้ของจริงไว้หนังสือธรรมะซีดีธรรมะที่ไม่แจกรูปก็เพราอย่างนี้มันเพราะเปนของปลอมมัน ไ, ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีคนเอาพิมพ์รูปของกูบาอาจารย์มาเราแจกเยอะแยะเราตั้งเก็บไว้ไม่เอามาแจก เพราะมันไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงของแท้ของจริงคือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างเป็นทางเป็นเป็นป้ายบอกทางหรือเป็นแผนที่ที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอุตสาหะถ้าเป็นแทบตายสรุปมาขอถ่ายรูป <c oughs> แสดงว่าทัพพีในหม้อแกงแท้แทนะฟังแล้วไม่เห็นลดคุณค่าของแกงเลยเหม็นคุณค่าของธรรมะเลยอ้าวมีปัญหาอะไรถามมาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b o ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับจากคุณซูซี่นะครับโยมีลูกน้องที่ทำงานผิดผิ ด, ผดถูกๆูก ที่เกียดชอบเอาเปียบคนอื่นถ้าโยมว่าเก่าตักเตือนกดดันเพื่อให้เขาลาออกจากงานเป็นบาปไหมโยมกลัวเวรกรรมจะตามสนองทำให้ไม่เจริญในหน้าที่การงานแต่ให้ทนพฤติกรรมต่อไปก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะตักเตือนกันมาหลายครั้งแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีบทลงโทษพระเหมือนกันถ้าพระทาผิดนะ ถ้าเป็นการกระทําผิดครั้งแรกท่านก็ยกโทษให้เช่นคนที่ทําความผิดแล้วยังไม่มีกฎไม่มีข้อบังคับข้อห้ามไว้ทําไปโดยไม่รู้ว่าผิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จะเตือนบอกจะสอนว่าอย่าทําอย่างนี้ต่อไปถ้าทําแล้วจะต้องออถูกลงโทษเช่นปาราชิกสีนี้เป็นโทษหนักของพระคือถ้าละเมิดแล้วก็จะต้อง ศึกลาศิกขาไปหมดสภาพจากการเป็นพระไปเช่นการเสพเมถุนก็คือการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแต่ในกรณีของคนแรกนี่เขาไม่รู้สมัยที่เริ่มมีพระพุทธศาสนาใหม่ๆนี่จะไม่มีพระวินยัยไม่มีศีลองรอยี่สเ็เพราะว่าผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาในยุคแรกๆนี้ล้วนเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้น พระหลานนี้ท่านก็รู้วิธีการอยู่ของพระแต่ต่อมาหลังจากที่ศาสนาได้เผยแพร่กว้างกว้างไกลออกไปก็มีคนที่ยังไม่ได้บรรลุมาบวชกันพวกที่มาไม่ยังไม่บรรลุอี้ใจก็ยังมีกิเลสมีตัญหาความอยากอยู่เลยไม่รู้ว่าวิว่าพระทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างก็มีกรณีพระอยู่รูปหนึ่งที่ รู้สึกว่าก่อนจะมาบวชก็มีภรรยาแล้วก็พอมาบวชแล้วภรรยาหรือพ่อแม่ของภรรยาก็ไม่ทราบมาขอว่าอยากจะได้หลานเพื่อจะได้ไปสืบสกุลพระนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่ถูกก็เลยไปร่วมหลับนอนกับภรรยาเพื่อที่จะได้มีหลานให้กับปู่ย่าตายายมาสืบสกุลต่อไปแต่หลังจากที่ไปร่วมหลับนอนแล้วจิตใจก็เศร้าหมอง ก็เลยไปรกาศทูลพระพุทธเจ้าว่าได้กระทําอย่างนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าเป็นพระแล้วไปร่วมหลับนอนกับศีาราไม่ได้แล้วถ้าร่วมหลับนอนนี้จะให้ขาดจากการเป็นพระจึงได้ทรงตั้งปราราชิกขึ้นมาว่าต่อไปนี้ถ้าพระรูปใดไปร่วมหลับนอนกับศีกาแล้วจะต้องจะต้องหมดจากสภาพเป็นพระไป พอบอกว่าไม่ให้ไปหลับนอนกับศรีกาก็มีภาพไปร่วมหลับนอนกับลิงก็มีกับเดลฉานก็มีก็ต้องมามาขยายกฎข้อนี้ให้เพิ่มว่านอกจากมนุษย์แล้วแม้แต่เดรลฉานก็ห้ามไปร่วมสังวาส ด, ด้วยเนี่ยคือเรื่องของความเป็นมาของพระวินยัยคือใครทําผิดโดยที่ไม่รู้ก็ให้ว่าเก่าวตักเตือนสอนกันไปก่อนแต่ถ้ายังเื้อยังทําซ้ําแล้วซ้ํำซากอยู่ก็ต้องมีการลงโทษ ถ้าเป็นภัยต่ อ, ต, อต่อศาสนาต่อ ว, วงการของพระภิกษุก็ต้องกาจัดออกไปเพราะเป็นเหมือนมะเร็งดีๆนี่เองเรามีมะเร็งเราต้องทำยังไงเราก็ต้องตัดมันตัดเนื้องอกออกไปถ้าปล่อยมันทิ้งไว้เดี๋ยวมันลามไปทั่วร่างกายร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ถ้ามีพระทําทผิดศีลอยู่ในวงการของศีลของของสงต่อไปก็จะทาผิดศีลข้อต่างๆไป แล้วก็จะทำให้ผู้ที่มีศัทธาเสริมศัทธาถ้าไม่มีศัทธาคอยทำนุบำรุงพระพุทธศ า, าสนาศาสนาก็อยู่ไม่ได้ถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรไม่ถวายผ้าจีวรผ้าจะอยู่ได้อย่างไรพระอยู่ได้เพราะศัทธาญาติโยมมีศัทธามีความเคารพเพราะว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองดังนั้นถ้าใครทำผิดเราก็ต้องเตือนเขาก่อน แล้วก็คาดบทลงโทษเขาไว้บอกว่าคาดโทษไว้ว่าถ้าทำต่อไปจะต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนะถ้าเราทำานี้ไม่ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันทำด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทำด้วยอารมณ์หรืออคติความเกลียดความความชังแต่อย่างใดแต่ทำไว้เพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนใหญ่เอาไว้ดังนั้นถ้าเรามีลูกน้องที่ทางานไม่ดีทางานไม่ได้เป็นผลที่เกลียดเราก็เตือนเขาไป แล้วก็คาดโทษเขาไว้ว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะต้องให้ออกจากงานไปอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรคำถามข้อต่อไปจากคุณศิริศักนะครับใช้ปัญญาพิจารณาเกษาโลมาณขาทรรตาตาโจแต่ตัวปัญญายังน้อยพอหมดปัญญาที่มีก็หลุดจากการพิจารณา เนื่องจากคำถามที่ตั้งเกิดจากตัวปัญญาที่น้อยคำถามควรที่จะพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวงเล็บแม้จะได้คำตอบเดิมๆก็ไม่หยุดพิจารณาทวนแล้วทวนอีกแล้วตั้งคำถามแปลกใหม่ให้กับตัวเองหรือกลับไปสมถะคือ ที่บอกว่าปัญญาไม่พอนี่ความจริงไม่ใช่หรอกที่มันไม่ไมมันมันพิจารณาไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธินั่นเองเวลาใจไม่มีอุเบกขานี่ตัณหาความอยากมันจะมีกำลังมากมันจะไม่ชอบพิจารณาธรรมะมันจะชอบพิจารณาเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสมากกว่ามันจะคิดถึงขนมนมเนยของข่าวของหวานของกิน มันจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆอยากจะไปดูอยากจะไปฟังให้มันมาพิจารณ า, าการ32มันก็พิจารณาได้สัก 2-3 2-3 รอบมันก็เบื่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีอุเบกขาดังนั้นต้องเสริมสมาธิให้มากๆก่อนถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีอุเบกขานี้ก็อย่าพึ่งไปอ อ, ออกทางปัญญาเลยเพราะมันไม่เกิดผล เหมือนกับถ้าเรายังเดินไม่ได้อย่าเพิ่งไปวิ่งเลยวิ่งไม่ได้เดี๋ยวล้มหัดเดินให้คล่องก่อนก่อนจะเดินก็ต้องยืนให้ได้ก่อนยืนนี่ก็เป็นเหมือนสติเดินก็เหมือนสมาธิวิ่งก็เหมือนปัญญาดังนั้นก่อนที่จะวิ่งก็ต้องเดินให้ได้ให้คล่องก่อนก่อนที่จะเดินให้คล่องได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อนก่อนที่จะเจริญปัญญาก็ต้องมีสมาธิให้มั่นคงแน่นหนา ให้มีกําลังมากๆก่อนก่อนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนดังนั้นต้องกลับมาเจริญที่สติก่อนพุทโธไปทั้งวันอย่างนี้หรือเฝ้าดูร่างกายไปทั้งวันไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็เข้าสมาธิให้มากๆบ่อยๆเข้าทีก็ให้อยู่ได้เป็นชั่วโมงไปงแล้วก็สงบนั่งสงบไม่ใช่เข้าไปแล้วก็คอยคิดถึงเวลาคอยเดินตาดูนาฬิกาอย่างนี้ยังแสดงว่ายัางไม่เข้า ถ้าเข้าแล้วมันจะเลิมหมดนาลงกงนาฬิกาเรื่องราวต่างๆงานการที่ต้องไปทำหรืออะไรต่างๆมันจะไม่สนใจต้องเข้าสมาธิให้ได้แล้วต้องชำนาญเข้าได้อยู่ทุกเวลาที่ต้องการจะเข้าแล้วเข้าได้อย่างง่ายดายแล้วรวดเร็วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสมาธิถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วทีนี้ก็เวลาออกจากสมาธิมาที่จะบังคับจะสั่งให้มันคิดเรื่องอะไรมันก็จะคิด ให้คิดถึงความตายของคนนั้นคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะคิดได้อยู่ตลอดเวลาให้ดูละอาการสาสองของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสบสองมันก็จะดูให้เห็นว่าเป็นอาการสาสองไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในร่างกายมีแต่อาการสามเหมือนกันหมดทุกคนมันก็จะคิดได้มันก็จะละส ก, กายยทิฏฐิได้ความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราได้ การพิจารณาปัญญาก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราพิจารณาเพื่อให้เห็นอะไรเหมือนกับเราทำเลขเราต้องการคําตอบคําตอบก็คือสมมติว่าคําตอบเป็นน้อยแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราไปถึงคําตอบนั้นได้โจทย์ก็วางไว้อย่างนี้คําตอบคืออย่างนี้ยี่จากโจทย์ไปสู่คําตอบเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเราจะต้องบวกล บ, บวกบคูณหารอย่างไรถึงจะได้คาตอบนั้นออกมาอันนี้ก็เหมือนกัน โจย์ของเราก็คือสกายาทิฏฐิความหลงที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราคาตอบก็คือร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ต้องแยกอาการ32ออกมาเป็นส่วนๆไปผมไว้ส่วนหนึ่งขนไว้ส่วนหนึ่งเล็บไว้ส่วนหนึ่งฟันไว้ส่วนหนึ่งหนังไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกับที่เขาชาแหล ะ, ะเนื้อหมูตัวหมูที่ในตลาดเนี่ยเขาก็แยกตับไว้ หัวใจปอดก็แยกเป็นส่วนๆเนื้อไว้ส่วนหนึ่งเราก็ทำแบบเดียวกันแล้วเราก็ไล่ถามไปในแต่ละส่วนนะเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผมหรออยู่ตรงขน ห, หรือยอยู่ตรงเล็บด้วย อ, อยู่ตรงฟันเวลาเราตัดผมแล้วเราตายไปกับผมหรือเปล่าเวลาเราถอนฟันแล้วเราตายไปกับฟันหรือเปล่าถามไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ในอาการทั้ง3า แล้วมันก็จะได้คําตอบในที่สุดว่าอ๋อร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสองนั้นไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วถ้าจะให้มันลึกไปกว่า น, นี้ก็ให้มันสลายกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปเลยดูเวลาร่างกายนี้มันตายแล้วมันกลายเป็นอะไรไปเอถ้ามันไม่กลายเป็นดินน้ําลมไฟมันจะเป็นอะไรเวลาตายไปน้ําก็ไหลออกมาแล้วลมก็ระเหยออกมากินที่เราได้กินจากร่างกายนี้ก็ เป็นลมออกมาไฟมันก็หายไปแล้วร่างกายนี้ของคณตายไปแตะดูเนยมันเย็นเฉียบแล้วส่วนที่เหลือก็กลายเป็นดินไปส่วนที่แข็งเช่นกระดูกหนังแห้งกรอบอวัยวะที่แห้งกรอบทิ้งไปนานๆมันก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือพิจารณาให้เห็นว่านมันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสาสิบสอง ผู้ที่มาว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้ที่ว่าเป็นตัวเราของเราก็คือใจใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ในโลกคิดไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ใจเพียงแต่ส่งสัญญาณมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรตามต่างๆ ต, ตามความความคิดของใจเช่นใจคิดว่าวันนี้จะมาวัดก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาวัดแต่ใจไม่ได้มาอยู่ในร่างกาย ใจอยู่ที่โลกทิศรับข้อมูลผ่านทางร่างกายเสียงเข้ามาทางหูก็ส่งไปที่โลกทิศตาที่เข้ามาทางตาลูกที่เข้ามาทางตาก็ส่งไปที่โลกทิศโลกทิศก็เหมือนกับโลกมนุษย์ที่จะยกตัวอย่างเวลาที่เขาส่งยานอวกาศขึ้นไปสารวจดาวอังคารอย่างนี้คนที่ส่งยานอวกาศไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมคนที่ควบคุมยานอวกาศอยู่ที่ไหนอยู่ที่โลกนี้ แต่ยานอวากาศนี้ไปหาข้อมูลแล้วส่งกลับมาไปถึงนั่นก็ถ่ายรูปส่งกลับมาแล้วก็สั่งให้มันถ่ายรูปต่อไปให้มันเลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาถ่ายรูปใหม่ส่งกลับมาคนที่สั่งไม่ได้อยู่ในยานใจเราก็เหมือนกันใจเราไม่ได้อยู่ในร่างกายใจเราอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่โลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่โลกกทา มีความติดต่อการผ่านกระแสจิตจิตส่งกระแสเหมือนกับเราส่งกระแสวิทยุไปให้กับยานที่เราส่งไปสำหรวบยานมันก็ทําตามคําสั่งเราแล้วก็ส่งภาพที่เราต้องการให้เขาถ่ายส่งกลับมาให้เราดูอันนี้ก็เหมือนกันเราส่งร่างกายมาวัดนี้วันนี้อยากจะดูว่าวัดนี้มีอะไรมั่งก็ส่งร่างกายนี้มาแล้วก็ส่งไปให้ใจนรับรู้จายก็ส่งว่าให้ไปทางนูน้นมาทางนี้ นี่คือใจกับร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเวลาร่างกายตายไปก็ตายแต่ร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลายานระเบิดยานสำรวจระเบิดคนที่ควบคุมยานก็ไม่ได้ตายไปกับยานที่ระเบิดค น, คนที่อยากจะมียานใหม่ก็สร้างยานใหม่ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปสำรวจใหม่พอ ร, ร่างกายนี้ตายไปใจยังอยากจะสำรวจโลกนี้ต่อก็กลับมาหาร่างกาย ใครท้องอยู่ที่ไหนก็เข้าไปจองท้องในท้องเขาเลยตั้งท้องเมื่อไหร่ก็เข้าไปจองไว้ก่อนเลยทร่มันก็อยู่ที่คิวสั้นคิวยาวถ้าคิวของมนุษย์มันก็ยาวถ้าคิวของสัตว์มันก็สั้นส่วนมักจะไปเกิดเป็นสัตว์กันเสียก่อนพอตายปั๊บก็ไปเกิดเป็นกระรอกกระแตเป็นมดเป็นมแมลงเนี่ยคิวมันสั้นเกิดได้ง่ายแต่ถ้าจะเกิดเป็นคิวเป็นมนุษย์นี้คิวมันยาวต้องรอแถวยาวหรือต้องมีบารมี ถ้ามีบารมีมากก็รัดคิวได้เหมือนกับสอบเอ็นทรานส์นียถ้าสอบคะแนนสูงก็เข้าได้ก่อนสอบคะแนนต่ำก็ต้องเข้าทีหลังไปถึงบอกให้สร้างบุญไว้เยอะๆจะได้รัดคิวได้ตายไปจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วถ้าไม่มีบุญมีแต่บาปนี่ตายไปก็ไปนูน่นไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอะไรอ นี่คือเรื่องของการพิจารณาทางปัญญาต้องมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการพิจารณาว่าเราพิจารณาสิ่งนี้แบบนี้เพื่ออะไรบางทีบางคนพิจารณาแล้วก็ไม่รู้พิจารณาไปเพื่ออะไรเขาบอกให้ดูผมขนเล็บฟันก็นดูมันไปองั้นเราถามว่าดูเราได้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็รู้ก็เห็นมีแต่ผมขนเล็บฟันมันต้องมีเป้าหมายมันต้องการทำลายสกายทิฏฐิความเห็นผิด มันเหมือนกันว่าเราไปเห็นหมาว่าเป็นแมวเงี้ยเราต้องมาดูมันใหม่ดูว่ามันไม่ใช่หมามันมันไม่ใช่เป็นแมวมันเป็นหมาหมามันกับแมวมันต่างกันตรงไหนก็ต้องมาเปรียบเทียบกันดูแล้วในที่สุดมันก็จะได้ข้อสรุปว่าอ๋อสิ่งที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่แมวมันเป็นหมาอันนี้ก็เหมือนกันเรามาเห็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราที่ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง ไม่ใช่เป็นสามีเป็นภรรยาว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาพอร่างกายนี้ตายไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสีสยใจที่ว่าตอนได้เสียพ่อเสียแม่เสียภรรยาเสียสามีไปมันไม่ได้เสียมันเสียแต่อาการสามสิบสองเสียแต่ดินน้ำนมไฟไปตัวที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาอยู่โลกทิพย์เนยตัวเราก็อยู่โลกทิพย์พวกเราทั้งหมดนี้อยู่โลกทิพย์แต่อยู่กันคนละชั้นเหมือนอยู่คอนโดเนี่ย บางคนก็มีบุญเยอะก็อยู่อยู่ชั้นสูงคนมีบุญน้อยก็อยู่ชั้นต่ำคนที่มีเงินเดือนน้อยก็ต้องเช่าชั้นต่ำคนที่มีเงินเดือนมากก็เช่าชั้นสูงได้อยู่บนเพนท์เฮาส์ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่บนเพนท์เฮาส์นะพวกเรามันอยู่ตรงกลางตรกงกลางก็คือไม่สูงมากไม่ต่ำมากบาป ก, ก็ไม่ได้ทํามากบุญก็ไม่ได้ทํามากถ้าอยากจะขึ้นไปชั้นสูงก็ทําบุญให้มากทําบาปให้น้อย แล้วต่อไปก็จะขึ้นไปถึงชั้นเพนเฮาส์ได้พระอาจารย์แมเรื่องของจิตเป็นอย่างนี้นะจิตไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คาถามต่อไปรู้สึกจะมีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พอดีใช่ครับคำถามข้อต่อไปจากคุณอัศยานะครับเคยฟังธรรมพระอาจารย์หลายครั้งสงสัยที่ว่าเมื่อคนตายไปแล้วร่างกายจะเป็นดินน้ำลมไฟแต่จิตยังอยู่ คือไม่มีวันตายแล้วช่วงเวลานั้นจิตจะไปอยู่แห่งผลใดคะเป็นไปได้ไหมที่คนที่ตายไปแล้วจะปรากฏตัวให้เราเห็นตอนเช้าเหมือนคนปกติธรรมดาธรรมดาแค่ช่วงเวลาสั้นๆหรือได้ยินเสียงการกระทำบางอย่างของเขาก็เป็นได้เพราะว่าเรากับเขาก็อยู่ในโลกคลิป เขก็ปรากฏให้เราเห็นได้เช่นเขาอยู่ชั้นคอนโดชั้นสิบสี่เขลงมาอยู่ที่ชั้นเราอยู่ชั้นสิบสองก็เจอกันได้แต่มันเห็นได้แสองแบบเห็นแบบจริงๆหรือเห็นแบบอุปทานใจเราคิดไปเองปรุงแต่งขึ้นไปเองก็ได้บางทีเราคิดถึงใครมันก็บางทีก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เราเห็นก็ได้แต่จะเห็นแบบไหนมันก็ไม่สําคัญมันไม่มีสาระสําคัญอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางจิตใจของเราให้ดีขึ้นหรือให้ ให้ต่าลงแต่อย่างใดแต่เรื่องของจิตวิญญาณนี่ติดต่อกันได้ไหมติดต่อกันได้ ต, ด ต, Mud, ติดต่อกับคนที่มีชีวิตอยู่ได้ไหมได้คนที่ไม่มีชีวิตอยู่เขาติดต่อกันได้ไหมได้เพราะจิตเขาไม่ได้ตา ย, ยงั้นเรื่องของจิตนี้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าอยู่โลกทิพย์เราก็จะงงแต่ถ้าเรารู้ว่าพวกเราทุกคนอยู่โลกทิพย์มีโอกาสที่จะเจอกันได้เช่นเวลาเราน อ, นอนหลับนี่บางทีก็เราคิดว่าเราฝันแต่ความจริงไม่ได้ฝันก็ได้ คนนี้ก็อยู่โลกทิพย์ด้วยการเข้ามาเยี่ยมเยือนเราได้แต่บางทีก็เป็นความฝันคือความคิดของเราเองบางทีเราคิดปรุงแต่งไปเองก็ได้ถึงต้องยังต้องถึงต้องให้ระมัดระวังอย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้มีสาระประโยชน์กับจิตใจแต่อย่างใดมันไม่ได้มาบําบัดความทุกข์บำบูมความสุขของเราแต่อย่างใดเพียงแต่ทําให้เราเกิดความเข้าใจ ธรรมชาติของจิตให้ได้ดีขึ้นตนเองว่าจิตเป็นสิ่งที่ไม่ตายจิตอยู่ในโลกทิพย์ทุกดวงทั้งเขาทั้งเราแล้วก็อาจจะติดต่อกันได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ติดต่อกับพระพุทธมารดาหลังจากที่พุทธมารดาขอดพระพุทธเจ้าออกมาได้เจดวันก็เสด็จสวนโคตไปเกิดอยู่บนสวรรค์แล้วพอพระพุทธเจ้าตับชรลุก็มีพลังจิตที่จะที่จะติดต่อกับพระพุทธมารดาได้ ก็สา ม, มารถติดต่อสอนสั่งสอนจนพุทธมารดาได้บรรลุปเป็นพระสสดาบันได้ในขณะที่อยู่ในสวรรค์คําถามข้อต่อไปจากคุณน้ําเต้าหู้นะครับที่นะคูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าความสงบไม่ขยอบขึ้นไปคือจิตไม่สงบขึ้นมากกว่านี้หรือความสงบนี้เสื่อมไปไม่ปรากฏขึ้นมาอีก ความจำความอะไรนี้จะฝังอยู่ภายในจิตเป็นเวลานานเราควรละมัดระวังและปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นความจำความอะไรกับอะไรไม่ทราบถ้าก็ไม่ได้บอกใช่ไหมความจำความอะไรนี้จะฝังอยู่ภายในจิตเป็นเวลานานอะไรในสมาธิที่หมดไปเหรืออะไร อ, อะไรกับอะไรความจำความอะไร เอาใหม่นะครับอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าความสงบไม่ขยับขึ้นไปคือจิตไม่สงบขึ้นมากไปกว่านี้หรือความสงบนี้เสื่อมไปไม่ปรากฏขึ้นมาอีกความจำความอะไรนี้จะฝังอยู่ภายในจิตเป็นเวลานานเราควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นให้เข้าใจคำถามตอไปเดี๋ยวก็จะตอบผิดตอบถูก ความจําความอะไรมันมันเกี่ยวอะไรกับการมีสมาธิไม่มีสมาธิมันไม่เกี่ยวกันความจํานี้คนไม่มีสมาธิก็จําได้ลืมได้คนที่มีสมาธิก็จําได้ลืมได้มีมีคนถามพระอรหันว่าพระมีอะไรที่พระอรหันอ่าลืมลืมลืมได้ไหมว่าอรหันท่านก็ตอบได้ลืมได้สัญญามันอนิจจาไม่เที่ยงเช่นลืมชื่อคนนั้นลืมชื่อคนนี้ลืมวันที่ บางทีวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็ลืมได้ถ้าไม่คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆมันก็ลืมได้แล้วเขาก็ถามว่าแล้วมีอะไรที่พระอรหันต์ไม่ลืมัม้มมีก็คือความตายนี่เองพาาระอรหันต์ไม่ลืมความตายไม่ลืมสัจธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ลืมมารยารรสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากทุ ก, ก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่เองนี่คือสิ่งที่พระอรหันต์ไม่มีวันลืม แต่เรื่ออื่นนี่ลืมได้ลืมวันที่ลืมเดือนลืมปีลืมชื่อคนนั้นลืมชื่อคนนี้อย่างญาติโยมนี่ถ้าไม่เจอกันสักพั่งนึ่งเดี๋ยวก็ลืมชื่อกันละจะนึกไม่ออกมันต้องเห็นบ่อยๆเหมือนกับสูตรคูณนี่ถ้าเราไม่ใช้มันบ่อยๆต่อไปมันก็ลืมได้พิมพ์ดีถ้าไม่พิมพ์มันบ่อยๆต่อไปก็ก็พิมพ์ไม่ได้ลืมลืมได้ของพวกนี้เพราะมันเป็นอนิจจสัญญานิจา แต่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติทําเช่นพระหลานนี้จะไม่ลืมโดยเด็ดขาดเพราะมันฝังอยู่ในใจเราเลึกอยู่ทุกตลอดเวลานาทีก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอาริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนรมากข้อที่สองนะครับเพิ่งอ่านเจอในประวัติหลวงตาที่ท่านบอกว่าท่านเคยสมาธิลดลงหรือเสื่อมไปอยู่ช่วงหนึ่งเพราะทากฎ อ่านแล้วไม่เข้าใจขอพระอาจารย์เมตตาเพราะไม่จะเพราะไม่รักษาสมาธิคือเหตุที่ทําให้จิตสงบก็คือสติตอนที่ท่านได้สมาธิเพราท่านจเจริญบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอท่านมาทํำกฎท่านก็หยุดพุดโทโธมาคิดถึงแต่เรื่องกฎว่าจะทําอย่างไรหาไม้มามาเหลามันมาทํามันใจก็จดจ่อยก็เรื่องทํำกฎเพียงอย่างเดียว เลยลืมพุโทโธไปพอพอไม่พุโทโธไม่คิดถึงเรื่องกดปรุงแต่งไปกับเรื่องกดทำให้มันสวยให้มันงามอย่างไรมันก็เลยปรุงแต่งฟุง้งซ่านไปพอเวลาจะมานั่งสมาธิก็เข้าสมาธิไม่ได้เพราะลืมพุโทโธไปคีดว่าเมื่อก่อนนั่งสมาธิหลับตาก็เข้าได้พอที่นี้มานั่งหลับตามไม่เข้าให้ดูไปว่าจะต้องพุโทโธพุธโทโธตอนหลังได้ก็มาย้อนนึกถึง เมื่อก่อนว่าตอนที่ท่านจะเข้าสมาธิท่านเข้าได้อย่างไรท่านก็นึกถึงว่าอ๋อเพราะท่านบริกา ร, รพุทโธอยู่ทั้งวันท่านก็เลยกลับมาบริกา ร, รพุทโธใหม่ <c oughs> พอกลับมาบริกา ร, รพุทโธใหม่พอมานั่งสมาธิมันก็เข้าสู่ความสงบได้คนที่เคยนั่งสมาธิแล้วหยุดไปแล้วอยากจะเข้าใหม่นี้เวลามานั่งแล้วอยากอยากให้มันเข้านี่มันไม่เข้ามันไม่ได้เข้าด้วยความอยากมันเข้าด้วยสตินะ ถ้าสติไม่มีมันก็ไม่เข้าถ้านั่งเราก็คิดเฮ้ยเมื่อไหร่จะเข้าสักทีทํำไมไม่เข้าสักทีเมื่อก่อนนั่งปั๊บมันก็เข้าเลยถ้านั่งคิดอย่างนี้มันไม่เข้ามันต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนนี้มันเข้าปั๊บเพราะอะไรพ่อมีสติอยู่ทั้งวันมีมีพุทโธอยู่ทั้งวันถ้าอยากจะกลับให้มันเข้าไปแบบเมื่อก่อนนี้ก็ต้องมาเจริญสติทั้งวันใหม่อย่างที่สอนไว้ตอนแรกว่าเราต้องดึงจิตให้อยู่ปากประตูของสมาธิ เพอเวลาจะนั่งปั๊บมันก็จะเข้าได้ง่ายแต่ถ้าจิตมันอยู่ห่างกายจากปากประตูกว่าจะดึงมันมาถึงปากประตูแล้วก็หมดแรงใช่ไหมบางทีเราไม่ดึงมันเสียได้ซ้ํำไปเราแต่อยากอย่างเดียวนั่งอยา่างนั่งแล้วก็เรียกมันเข้าไปสักทีแต่เมื่อไรจะเข้าสักทีกทย่างที่เรียกมันเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าสิ่งที่จะทําให้มันเข้าก็คือสติต้องอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธ หรือเวลานั่งก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้มันก็จะเข้าได้ดังนั้นการที่จะเข้าสมาธิได้จะต้องมีเหตุเหตุก็คือสติต้องเป็นสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลารู้อยู่กับเรื่องเดียวเท่านั้นผู้ที่จะเข้าสมาธิได้อย่างค่องแคล่วว่องไวต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นมีภารกิจการงานอยู่เรื่องเดียวก็คือการจเจริญสติ ไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรเล็กๆน้อยๆอยที่จำเป็นเช่นการหาอาหารมารับประทานการซักเสื้อผ้าการกวาดบ้านถูบ้านก็ยังสามารถรักษาสติควบคู่ไปกันได้เพราะไม่ต้องใช้ความคิดมากแต่ถ้าทาไปไปทำภารกิจการงานที่จะต้องมีการวางแผนมีการคิดเรื่องจำนวนเงินเข้าเงินออกอะไรต่างๆอันนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะมาดึงใจให้อยู่กับพุโทโธ โดยอยู่กับการกระทาของร่างกายได้มันก็จะไม่มีทางที่จะเข้าสู่สมาธิได้พระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติเนี่ยควรพิจารณาถึงความตายอยู่ตลอดเวลาแต่หากแต่นอกจากการพิจารณาถึงความตายแล้วเป็นการพิจารณาถึงชีวิตมนุษย์ที่สั้นมากเมื่อเทียบกับชั้นพรมชั้นเทวดาหรือ ความยากที่จะได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เหมือนกัน น, นะครับอาจารย์ได้มันก็ทำให้เราได้รีบขวนขวายโอกาสที่เราจะได้พบกับพระพุทธศาสนานี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งและเวลาที่จะได้อยู่มีชีวิตอยู่ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็มีน้อย ก็ไม่มีใครรับประกันชีวิตเราได้ว่าเราจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่บริษัทประกันชีวิตนี้เขาไม่ได้ประกันชีวิตนะเขาประกันประโยชน์ที่จะได้ที่เกิดจากการสูญเสียชีวิตเช่นถ้าเราตายไปเขาก็จะจ่ายเงินให้กับลูกภรรยาหรือสามีแต่เขาไม่ประกันว่าถ้าประกันชีวิตกับเราเราจะอยู่ถึงรอปีไม่มีประกันแต่ผลประโยชน์ที่จะเสียไป จากการเสียชีวิตของเราดังนั้นถ้าเร า, เ, ราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้รีบขวนขวายเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเป้าหมายของการเจริญสติเจริญความมา น, านุสตินี้ก็เพื่อให้เรา ยุติการสแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อการดับความทุกข์ให้เราเพียรพยายามสแสวงหาสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็คือให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดฉันทาวิริยะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาที่เป็นทางที่จะพาให้เรา ก้าเข้าสู่การดุจพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป้าหมายก็อยู่ตรงนั้นอแสดงว่าพิจารณาแบบหลังนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องอ ไ, ม ไ, มไม่ต้องเจริญอสุภะอะไรแบบนี้เอออันนั้นยังงอสุภะนี่มันจะมาทีหลังไงพอเราเข้าสู่ขั้นต่างๆแล้วมันจะมีข้อสอบที่ให้เราจะต้องทําสิ่งต่างๆต่อไปขั้นต้นขอให้เราเซลเอ็นทันให้เข้ามาหาลาัยให้ได้ก่อน เราก็มาอะไรได้แล้วเขาก็จะมีโจทย์มาให้เราทําแล้วเราก็ต้องหาหาเครื่องมือที่จะมามาทําโจทย์นี้ให้ได้การประสูดาบันก็ต้องต้องสละร่างกายนี้ให้ได้สละความเจ็บปวดปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายผ่านความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไม่หวั่นไหว พอขั้นสกิดาคามีก็จะมีโจทย์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องของกามารมณ์กามาราคะก็ต้องทําให้มันเบาบางเ ค, เคยมีอยู่ร้อยเปอร์เซนก็ทําให้มันเหลือสักห้าสิบคือให้มันเบื่อบ้างอยากบ้างนี่เรียกว่าเป็นภรสกิรดาคามีภรสกิดาคามีคือผู้ที่ทําให้กามารมณ์เบาบางลงไปแต่ไม่หมดไปแล้วขั้นที่สามนั่นแนหะถึงจะทําให้มันหมดไปคือ จะไม่มีการอารมณ์อยู่เลยการที่จะไม่ทําให้มีการอารลมหรือทําให้มันเบาบางลงไปก็คือต้องเราเลิกถึงอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเวลาที่เกิดความความ ก, การอารมณ์ความอยากจะเสพการขึ้นมาได้เราเลึกถึงอสุภะพอนึกถึงส่วนที่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าดูมันก็จะดับการอารล์ได้พระสกิฎากรรมินี้ทาได้บางเวลาไม่ได้ตลอดเวลาเห็นอสุภะบางเวลา บางทีก็เผลอลืมเห็นสวยก็สวยไปเลยเห็นน่ารักก็น่ารักไปเลยันนั้นบแต่บางทีก็เห็นสิ่งที่น่ารักว่าไม่น่ารักไม่สวยไม่งามเห็นอสุภะก็เรียกว่าทําได้บ้างผ่าน5 0ายังทําข้อสอบไม่ได้ครบร้อยแต่พอถึงขั้นที่3มพระอนาคามีนี่ก็จะทําได้ทั้งตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครไม่ว่าจะเป็นนางงานจักรวาลเป็นดาราภาพยนตร์ ตุกาตาทองหรือตุกาตาเงินก็จะเห็นอสุภะตลอดเวลาพอมองทะลุก็ไปข้างในร่างกายของเขาหรือมองตอนที่ร่างกายของเขาตายไปแล้วเช่นเราไปดูไปที่โรงพยาบาลไปดูเก้าผ่าศพแเรานึกถึงภาพของศพที่ก็ผ่าเวลาเห็นร่างกายของใครก็คิดถึงว่าร่างกายของเขากับร่างกายของคนที่ถูกผ่าศพที่เป็นศพก็เหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็จะพังอะมันจะไม่ ไม่เกิดการวัลลมการวัลมที่มีก็จะดับไปเนี่ยไปข้อสอบขั้นต่างๆดงนั้นคุณยังไม่ต้องกลัวหรอกคุณนั่นยังปีสองปีส า, ส า, สามตอนนี้สอบเอ็นทันให้ได้ก่อนให้บวชให้ได้ก่อน <c oughs> บวชแล้วก็ใยมาว่ากันตอนนี้สร้างศรัทธาไว้เยอะๆสร้างศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่าไปทําอะไรอย่างอื่น ที่คนอื่นเขาเชื่อกันเช่นไปหาหมอดูไปไปไปทำพวกฮวงจุ้ยหรือพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่นั้นไม่ใช่เป็นทางที่จะนำไปสู่การดับดับทุกข์การที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือการปฏิบัติธรรมและการที่การจะปฏิบัติธรรมได้ผลอย่างรวดเร็วก็คือการออกบวชฉะนั้นขอให้เรา ก้าไปถึงจุดนั้นก่อนเพราถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะได้เร่งปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาพอมีศีลมีสมาธิแล้วเราก็จะเรียนปัญญาพิจารณาอาการ32ให้เห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาว่าความเจ็บนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามเขาไม่ได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยให้ได้ รวางเฉยได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันต่อไปก็จะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายของร่างกายเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายมันจะต้องตายแน่ๆเราไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราทําใจปล่อยวางให้ได้ ส, ส่วนใหญ่เวลาทาข้อสอบกับโรงสนามจริงจะต่า ง, งกันเยอะครับอาจากันก็ต้องทาการบ้านก่อนซ้อมก่อนไง ตอนนี้ที่เราคุยกันนี่ก็เหมือนการอยู่ห้องเรียนขั้นต่อไปก็เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปซ้อมก่อนไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองเรียกว่าเป็นการทำการบ้านเป็นการเตรียมตัวแล้วขั้นต่อไปก็ไปหาหมอให้หมอตรวจหาโรคมะเร็งให้หน่อยว่าหมอบอกเออมีอะไรมีมะเร็งอยู่อีกสามเดือนจะต้องตายนะตอนนั้นหละก็จะได้เข้าห้องสอบแล้วก็จะรู้ว่าใจเราเฉยหรือไม่เฉยถ้าเฉยก็แสดงว่าสอบผ่าน ถ้าไม่เฉยก็สแสดงว่าอบตกก็ต้องรีบกลับมาทำการบ้านเยอะๆพิจารณาเยอะๆทำจิตให้สงบให้มากๆถ้าจิตสงบแล้วก็จะเฉยได้หมดแล้วครับพระอาจารย์โอเคงั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในธรรมที่จะตามมาต่อไป t e